เกิดขึ war, do, in ้นกับเราก็คือว่าใจเราก็จะเป็นบุญงานนั่นก็จะทำให้เราหรือสิ่งนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นบุญมากขึ้นบุญมันกลับมาที่เราแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่เป็นบาปบาปมันก็ย้อนกลับมาที่เราทำให้จิตใจเราเป็นอกุศลมากขึ้นเวลาเราทำงานล้วก็ให้เราลึกว่าเราถูกงานนั้นปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากให้งานนั้นปรุงแต่งเรา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 หาบน้ำผ่าฟืนทำความสะอาดชายคนนั้นพอรู้อย่างนี้ก็บอกสาลาเลยบอกฉันแมวแล้วะทัานมาสแสวงหาศัจธรรมส่งฉันมาทำครัวผ่าฟืนแมวไปต่อมาก็มีชายหนุ่มมาขออยู่กับอาจารย์ บอกว่าจะมาสแสวงหาสัจธรรมเหมือนกันอาจารย์ก็บอกให้ไปทำครัวด้วยงานหาบน้ำผาฟืนเช่นเคยเหมือนกับที่พูดกับคนแรกคนนั้นทำอยู่ได้แค่วันสองวันก็ไปทำไมถึงไปทั้งสองคนนะเเขารู้สึกว่าฉันมาสแสวงหาสัจธรรมฉันมาปฏิบัติธรรมฉันไม่ได้มาเป็นกรรมกรฉันไม่อยากจะมาทางาน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 แม้จะมีสิ่งที่มันกระทบจิตกระทบใจก็สามารถที่จะปลดเปลื้องความรู้สึกที่ไม่ดีนั่นออกไปได้นายจะถูกดูถูกเขาก็ไม่ไม่ยี่หละไม่สนใจฉันก็ทางานของฉันไปเมื่อทำไปเมื่อเอาสิ่งที่ดีที่สุดในจิตใจใส่ลงไปในงานงานนั้นก็ช่วยบ่มเพาะ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 นะบางเดี๋ยวนี่มันเป็นคำที่ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเป็นคาที่พูดไปเพื่อจะได้ไม่ต้องผูกมัด ก, กับอะไรหรือใช้เป็นข้ออ้างว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉะนั้นต้องกลับมาดูว่าเออเราจะทำสิ่งต่างๆด้วยจะเรียกว่าอธิบาตสีก็ได้ด้วยความลักด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความจดจอ่อด้วยความใส่ใจใคร่ครวนงานเนี่ยนะ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 ถ้าเราทํางานด้วยกิเลสทางานด้วยตัวตนต้องการสนองตัวตนของเรางานมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะสําหรับคนที่ตั้งใจจะทํางานก็ควรระลึกว่างานนั้นจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเรารู้เท่าทันตัวตนแล้วก็ลดละตัวตนของเราได้คิดถึงตัวเองให้น้อยลงอาจจาวใจไปอยู่ที่งานหรือไปอยู่ที่คนที่เราเกี่ยวข้องมีเด็กคนหนึ่งเขาป่วย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 ทังนั้นแต่ก็ยังปิดปากอยู่สักพักทนความตื้อของหมอไม่ได้ก็อ้าปากแล้วคร้นี้ก็หมอก็ให้ยากินจนได้เด็กพอกินยาเสร็จก็รีบป อ, อยหนีแล้วก็เอาหัวไปซุกหมอนเราดูนี่คงจะรู้ว่าเด็กนี่มีปัญหาเขาไม่ได้ป่วยกายแต่ป่วยใจด้วยมีปัญหาจิตใจเขาระแวงคนไม่เชื่อใจคนไม่เชื่อใจหมอ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 เอาตัวตนออกรับกับปัญหาทุกเรื่องทำไมทำกับฉันอย่างนี้ทำไมพูดกับฉันอย่างนี้เอาตัวตนขึ้นมาเป็นตัวตั้งเนี่ยแม้แต่งานเล็กๆ็ก็ไม่สำเร็จเพียงแค่จะให้เด็กกินยาก็ไม่สำเร็จละเพราะว่าอาการของเด็กนั้นมันไปกระแทกตัวตนพอเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเอาตัวตนออกหน้าแต่ถ้าเราเอาเด็กเป็นตัวตั้งความเพียรก็เกิด และเมื่อความเพียรเกิดก็สําเร็จจนได้เพราะว่าพยายามใช้ทุกวิธีแม้กระทั่งจะยอมทําตัวเหมือนเด็กอาปากให้เด็กนะรู้สึกว่าเออเหมือนกับมีพ่อมาป้อนให้ลูกเนี่ยเด็กก็ยอมจนได้ให้เราทําอะไรก็ตามเลยเพราะเราเป็นครูหรือว่าจะเป็นครูก็ตามจะเป็นคนสวยก็ตามจะเป็นคนครัวก็ตามเราจะมีความทุกข์น้อยลงและเราจะทํางานดีๆขึ้นถ้าว่าเรา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 นะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวตนไปทิศตั้งหมอไมไ่เอาตัวตนไปทิศตั้งอันนี้ก็ก็เป็นเป็นง่ายคิดนะสำหรับพวกเราว่าเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราเอาตัว ต, วตนเป็นที่ตั้งน้อยๆหน่อยนะงานก็จะไปได้ดีก็จะสําเร็จเวลามีคนวิภาษ์วิจาร์แทนที่จะนึกว่าเขาว่าฉันเขาตําหนิฉันคิดแบบนี้มันเอาคือมันเกิดตัวตนขึ้นมาละแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําถามสะหมายว่าเออ ที่ก็พูดที่มันจริงไหมอันนี้เราเอาความจริงเป็นตัวตั้งแล้วเราเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งแล้วถ้าเราตัวตนเป็นตัวตั้งนี่เลยอัตตาที่ปตยมันก็ทุกข์แหละแต่ถ้าเราความจริงเป็นตัวตั้งว่าที่ก็พูดมาจริงไมหมเรื่องความถูกต้องเป็นตัวตั้งว่าเออฉันทําดีขึ้นงานที่ทํานี่มันมันถูกต้องหรือยังมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะเพราะไม่งั้นมันไม่มีเสียงวิจารณ์อย่างนี้ก็ได้กลับมาดูกลับมาดูที่งานงานก็ไปได้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 พยายามลดไลอ้ความสุกเป็นตัวตนให้น้อยลงเสริมสร้างความมุสึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อคนณน่งเขาสำเร็จเราก็พอยินดีเรียกว่ามีเกิดมุทิตาจิตขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเลือกไว้นะในการทำงาน